จเจริญปัญญาคือการพิจรารณาสิ่งที่ใจไปอยากได้อยากมีอยากเป็นเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรอยากเพราะอยากแล้วจะต้องผิดหวังจะไม่สมหวัง เพราะสิ่งที่อยากได้จะต้องมีอันเป็นไปนี่คือปัญญาคือให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยง เพราะว่ามันไม่อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมบังคับของเราเราได้อะไรมาเราก็อยากจะให้อยู่กับเราเป็นของเราไปนานๆแต่เราไม่สามารถไปกําหนดได้ว่าจะเป็นของเราไปนานเท่าไหร่ถึงเวลามันจะหมดก็หมดเอา นี่คือปัญญาปัญญามีไว้เพื่อให้เราหยุดความอยากเพราะความอยากนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจเป็นโทษต่อจิตใจเวลาเกิดความอยากแล้วใจร้อนใจไม่สบายเวลาไม่มีความอยากแล้วใจเย็นใจจะสบาย แย่าตอนนี้ใจเราเย็นใจเราสบายเพราะเราไม่ได้มีความอยากได้อะไรแต่ถ้าเราเกิดมีความอยากได้อะไรใจเราจะร้อนขึ้นมาทันทีจะไม่สบายนั่งเฉยเฉยไม่ได้จะต้องไปเอาสิ่งที่อยากได้หรือไปทําสิ่งที่อยากทํา แต่ไม่ว่าจะทําอะไรหรือได้อะไรก็จะระงับความอยากได้ชั่วคราวพอได้แล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกความอยากก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆจากใดที่เราตอบสนองความอยากความอยากใหม่ก็จะมีโผลขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราไม่ต้องการให้ความอยากโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องไม่ตอบสนองความอยากการจะไม่ตอบสนองความอยากได้เราก็ต้องหยุดมันหยุดความอยากหยุดด้วยการเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์กับการทำตามความอยากประโยชน์ก็เป็นความสุขปลอม ความสุขเดียวเดียวได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปแล้วถ้าเสียสิ่งที่ได้มาก็สงก็เศร้าโศกเสียใจถ้ายังไม่เสียก็วิตกกังวลกับสิ่งที่ได้มากังวลว่าจะอยู่กับเราไปได้สักเท่าไหร่จะดีกับเราไปได้สักเท่าไหร่จะไปจากเรา เมื่อไรหรือไม่อย่างไรมันจะมีความวิตกกังวลกับสิ่งต่างๆที่เราได้มาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มามีอะไรบ้า ง, งก็โดยทั่วไปสำหรับคนทั่วไปก็คืออยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายกัน ทุกคนอยากได้ลาบลาบคือเงินทองอยากนั่งอยากรวยเพราะเงินทองเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆมีเงินทองแล้วก็อยากได้อะไรก็ซื้อได้อยากทำอะไรก็ทำได้อยากไปไหนก็ไปได้ ใจที่มีความอยากมีอยากทำอยากไปไหนมาไหนก็เลยอยากได้เงินทองอยากได้เงินทองแล้วก็อยากได้ยศได้ตำแหน่งได้อำนาจเวลามียศมีตำแหน่งมันมีอำนาจมาด้วยสามารถสั่งการชี้นกเป็นนกชี้ฟ้าเป็นฟ้าต้องการอะไรไม่ต้องทำเอง สั่งให้คนอื่นทำให้มีบริษัทมีบริวารเวลามียศเจนทหารถ้าเวลาเป็นทหารใหม่ก็ไม่มียศเป็นพลทหารก็ใช้ใครไม่ได้สั่งใครไม่ได้มีแต่ต้องคอยรับคำสั่งก็เลยทำให้พลทหารอยากจะเป็นในร้อยในจานใ่าในสิบกันว่า ต้องเดินนอนขวนขวายทําอะไรเพื่อที่จะให้ได้ยศมาแต่ความอยากนี่มันมันไม่พอได้ยศอะไรมาเดี๋ยวมันก็อยากได้เพิ่มขึ้นไปเป็นพทฐานก็อยากจะเป็นในสิบอยากในสิบก็อยากไปเป็นจา่าเดี๋ยวจากจ่า ก, ก็อยากจะไปเป็นสัญญาบัต เป็นนายร้อยพอได้นายร้อยก็ไม่พออีกต้องเป็นนายพันนายพลต่อไปก็ต้องมีการตะเกียกตะกายมีการดิ้นรนแสวงหาดีใจบ้างเสียใจบ้างถึงเวลาที่มีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเวลาได้ก็ดีใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจเนี่ย นี่ก็คือยศลาภยศสรรเสริญก็อยากได้มีหน้ามีตาอยากให้คนเขาสรรเสริญยกย่องเยือนยอด้วยวิธีการต่างๆถ้าเป็นนักกีฬาก็อยากจะได้เหรียญทองโอลิมปิกเถ้าเป็นนักวิทยาศาสต์นักคน้นคว้านักวิจัยก็อยากได้รางวัลโนเบล นงวันที่เขายกย่องสรรเสริญความรู้ความสามารถของของบุคคลใน <c oughs> ในความรู้แขนงต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าสรรเสริญถ้ามีลาบยศสรรเสริญมันก็จะมีอำนาจมีมีเงินที่จะซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ อยากดูอะไรก็ซื้อมาดูได้อยากฟังอะไรก็ซื้อมาฟังได้อยากดมกลิ่นอะไรก็ซื้อมาดมได้น้ําหอมขวดละพันขวดละหมื่นอยากจะดมกลิ่นน้ําหอมราคาแพงแพงก็ต้องมีเงินถึงจะซื้อมาดมได้รสที่มีราคาแพงแพงแชมเปญไวน์ขวดละแสนนี่ ก็ต้องมีเงินถึงจะซื้อมาเดืมได้นี่คือความอยากของปุถุชนมนุษย์ทั่วๆไปคือความอยากในลาบยศสละเสริญสุขที่นอกจากจะเป็นความสุขแล้วก็ยังมีความทุกข์ตามมาด้วยแต่ปุถุชนคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้มีปัญญา จะมองไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งในลาบยศจัลสริญสุขจะเห็นว่าเป็นสุขเพียงอย่างเดียวจึงอยากได้กันอยากได้มากมาอยากได้แล้วก็อยากให้มีไปนานๆแต่พอเวลาเสียไปสูญไปหมดไปตอนนั้นแหละความทุกข์จะเข้ามาแทนที่ เคยมีเงินมีทองลองดูเงินทองหมดดูสิเงินทองหมดคนที่เคยมารู้จักมาพบปะสมาคบด้วยก็หายไปหมดเพื่อนฝูงก็หายไปหมดเพื่อนกินพอไม่มีกินเขาก็ไม่รู้จะมาทำไมเวลาเรามีเงินเราเลี้ยงเขาเขาก็มาหาเรามา ให้ความสุขกับเร า, เามาเป็นเพื่อนเราแต่พอเราไม่มีเงินลองไปยืมเงินก็ดูเลยของเงินก็ดูดูซิว่าจะได้หรือไมอ่นี่คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่เรียกว่าอานิจจามีเจริญก็มีเสื่อมอมีเจริญลาบก็มีเสื่อนลาบ มีเจริญยศก็มีเสื่อมยศมีเจริญสรรเสริญก็มีนินทามีสุขทางตาหูจมูกลินกายก็มีทุกทางตาหูจมูกรินกายตามาทุกตอนที่ไม่สามารถดมสิ่งดูในสิ่งที่เราอยากจะดูได้ต้องดูในสิ่งที่เราไม่อยากดูมันก็ทุกฟังในสิ่งที่เราอยากฟังไม่ได้ก็ทุก ได้ฟังแต่สิ่งที่เราไม่อยากฟังเพราะสิ่งเหล่านี้เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ท่านบอกว่าอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่อยู่อำนาจของเราที่จะไปควบคุมบังคับให้หมันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ตามความอยากของเราได้เสมอไปเวลาที่ควบคุมไม่ได้เช่นเงินทอง ควบคุมไม่ให้มันหมดไม่ได้พอมันหมดที่นี้ก็จะเดือดร้อนตำแหน่งต่างๆเขาควบคุมไม่ได้ถึงเวลาจะถูกปลดก็ถูกปลดได้ถึงเวลาจะถูกโยกย้ายก็โยกย้ายได้ถึงแม้จะไม่มีใครปลดมันก็มีเวลาของมันตาแหน่งต่างๆ บางคนก็อายุหกสิบถ้าเป็นข้าราชการเป็นตำแหน่งอะไรใหญ่โตขนาดไหนพอพ้นพอครบอายุก็หมดตําหมดไปพ้นจากตำแหน่งไปถ้าทางการเมืองก็เป็นเป็นเป็นสมัยสมัยไปสมัยละสี่ปีบ้างหกปีบ้างเดี๋ยวก็หมดไปก็ต้องเลือกกันใหม่ อันนี่คือความไม่แน่นอนความไม่ถาวรของลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกรินกายมันจึงทำให้ต้องมีความทุกข์ตามมาอยู่เรื่อยๆแต่คนที่ไม่มีปัญญาก็จะไม่มองที่ความทุกข์จะมองที่ความสุขมันถึงมัจะทุกข์ก็ขอให้มันทุกข์ทีหลังตอนนี้ขอสุขก่อน ไปทุกขอไปตายราบหน้าตอนนี้ไม่มีมันทุกข์ไม่มีมันทุกข์ดีกว่าดีดีกว่าทุกข์ตอนที่มีแล้วเสียไปอย่างน้อยตอนที่มีมันมันยังมีความสุขอยู่ออตอนที่ได้ลาบยศสารเสร้นได้รูปเสียงกลิ่นรสปพภะมาเสพตอนนั้นก็มีความสุข ส่วนมันจะหมดเมื่อไหร่ก็อย่าไปคิดถึงมันไว้ไปตายดาบหน้าตอนนี้ขอหาความสุขจากมงนก่อนอแล้วพอไปไปเจอมันดาบหน้าก็อาจจะทุกมันแทงตายก็ได้พอไปเจอความทุกข์หนักๆเข้าก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันาบางคนก็เสียสติไป บางคนก็ฆ่าตัวตายไปบางคนก็ต้องทนทรมานไปนี่คือการพิจารณาปัญญาพิจารณาว่าลาภยศสารเสริญสุขนี้มันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขที่แท้จริงมันเป็นสุขตอนที่มันจเจริญตอนที่เราได้มา แต่มันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันจากเราไปตอนนั้นมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากได้มันถ้ามีก็อย่าไปยึดไปติดบางทีเราไม่อยากได้มันมาเองมันมาเราก็รับไว้แล้วก็คอยเตือนเราว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดมัน พร้อมที่จะอยู่โดยที่ไม่มีมันเช่นเราทำงานทำความดีเขาก็อาจจะให้เงินเพิ่มเงินเดือนให้ให้ให้ตำแหน่งให้ของใช้ไม้สอยพิเศษให้ลถยนต์ให้บ้านให้อะไรก็ให้รู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวอยู่กับมันไปแต่พร้อมที่จะคืนเข้าไป ให้เรามองว่าทุกอย่างที่เราได้มาเป็นเหมือนของยืมเข้ามาไม่ใช่ของเราอนัตตาไม่ใช่ของเราเป็นของยืมเข้ามาเงินทองก็เป็นเหมือนเงินยืมเข้ามาถึงเวลาเขาเจ้าของให้คนที่ให้ยืมเขาจะเอาคืนก็ต้องคืนเข้าไปตำแหน่งที่เขาให้เป็นก็คิดว่าเขาให้เราเป็นชั่วกราว เขาตาดึงกลับไปเมื่อไหรก่ก็ก็ต้องยอมคืนเข้าไปถ้าเรามองว่าลาบยศสารเสนสุขนี้เป็นของอยืมมาเป็นของชั่วคราวถ้าเราไม่ไปได้มาก็ดีเราจะได้ไม่ต้องไปเสียใจเวลาที่ไม่ได้มันคือถ้าเราฉัดอยู่แบบไม่มีลาบยศสารเสนสุขได้นี้จะดีกว่า คนที่เขาไม่อยากจะทุก์กับลาภยศสารเสิญสุขเขาทำยไงเขาก็ไปบวชกันนะคนที่ไปบวชนี่แหละคือคนที่มีปัญญาในระดับระดับนี้เห็นว่าลาภยศสารเร ส, รสิญสุคนี้เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันมีเจริญแล้วมันมีเสื่อมเวลาเสื่อมนี้มันทุกข์ ก็เลยไม่อยากทุกกับราบยศสร ะ, ะเสริญสุขก็ไปอยู่แบบที่ไม่ต้องมีราบยศสร ะ, ะเสริญสุขก็ไปบวชเนี่ยไปบวชก็ไม่มีราบยศสร ะ, ะเสริญสุขละมีแต่อัฏฐบริขารมีแต่สมบัติแปดชิ้นคือมีบาตรไว้หาอาหารมีไตจีวรผ้าไตาไว้สาหรับนุ่งหม่มเครื่องนุ่งหม่ม ที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามมีตามเกิดส่วนใหญ่พระสมัยก่อนจะอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำตามเงื้อมผาตามเรือนร้างไม่มีวัดไม่มีกุฏิยกสมัยพระพุทธเจ้าก่อตั้งศาสนาใหม่ๆไม่มีวัดพระพุทธเจ้าไม่มีวัดอยู่อยู่ให้ไหมบรรลุตัดจะรู้ที่ใต้โคนต้นโพ อยู่ตามคนไม้ที่อยู่อาศัยของผู้ที่ไม่อยากจะทุกข์กับลาบยศสรรเสริญอาหารก็บาดบินทบาทหาินตามมีตามเกิดไปส่วนความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่มีไม่มีละครดูไม่มีเพลงฟังไม่มีการเล่เล่นอะไรต่างๆให้เล่นให้ดูแต่ หาความสุข อ, อีกรูปแบบหนึ่งหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี่คือผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ฉลาดจะเห็นว่าความสุขทางลาบยศสารเสริญทางรูปเสียงกลิน่นรสผดสะพะนี้มันเป็นทุกข์ทุกคนต้องทุกข์กัน ยที่เราทุกกันด้วยว่ันนี้มันทุกข์กับอะไรไม่ทุกข์กับเงินทองหรือทุกข์กับยศทุกข์กับตําแหน่งหรือเปล่าทุกข์กับการสรรเสริญนินทาหรือเปล่ามีสรรเสริญเดี๋ยวก็มีนินทาตามมาล้วอยากได้สรรเสริญแต่เราไม่อยากได้นินทาแต่สรรเสริญกับนินทามันเป็นของคู่กันมันมาด้วยกันมันเป็นเหมือนเหรียญสองด้าน ลาเจริญลาบก็มีเสื่อมลาบมาด้วยกันเจริญยศก็มีเสื่อมยศมาด้วยกันจสนะสรรเสริญก็มีนินทามาด้วยกันคือมีการตำหนิว่ากล่าวตักเตือนประนาม mm hmm. เวลาทำอะไรไม่ดีไ ม, ไม่มีใครยกย่องก็มีแต่คนประนามถ้าทำดีก็มีคนยกย่องสรรเสริญให้รังวีรางวัลทำไม่ดีก็ถูกประนามถูกลงโทษ ก็เป็นนินทาไปสะสรรเสริญ น, นินทาสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาได้ดูได้ฟังสิ่งที่เราชอบก็มีความสุขพอไม่ได้ดูสิ่งที่เราชอบก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาดูดูสิ่งที่เราไม่ชอบเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาสิ่งต่างๆนี้มันมีทั้งที่เราชอบและไม่ชอบ เวลาเจอของที่ชอบก็สุขพอไปเจอของที่ไม่ชอบก็ทุกข์ผู้ที่ฉลาดผู้ที่มีปัญญาก็จะเห็นว่าการแสวงหาราบยศสรรเสริญสุขนี้ไม่ได้เป็นวิธีดับทุกข์ความทุกข์ไม่หมดความทุกข์จะมีตามมาอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะพ้นจากความทุกข์ต้องไปหา ความสุขอีกวิธีหนึ่งคือไปอยู่แบบนักบวชถ้าไปอยู่แบบนักบวชก็จะมีเวลาที่จะได้มาสร้างความสุขอีกรูปแบบหนึ่งการไปบวชนี่ก็เพื่อสละการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพะนี่เองเพราะเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่ามันไม่เป็นของเราไปเสมอไม่เป็นของเราไปตลอดวันดีคืนดีก็จะต้องคืนเขาไปอ น, นี่คือปัญญาในระดับโลกียะปัญญานี้แบ่งเป็นสองระดับระดับโลกียะก็คือยังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีปัญญาเหล่านี้อยู่ยังไม่ยังไม่หลุดพ้น เพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นเือเห็นแล้วว่าลาบยศสารเสริญสุขนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเนินกายถ้าไม่อยากจะทุกข์กับลาบยศสรเสริญสุกก็ต้องอย่าไปหามันอย่าไปมีมัน การที่จะไม่มีมันไม่หามันก็ต้องอยู่แบบนัก บ, บวชแต่นั้นถ้าไม่บวชมันก็ถูกบังคับให้ต้องไปทำมาหากินหาข้าวหาของหาเงินหาทองหาลาบหายศเ่นี้แต่ถ้าไปบวชก็ไม่ต้องไปหาหาเพียงแต่อาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องวันละมือ้อตามมีตามเกิดถ้าไม่ได้ก็อดตาย ตายก็ยอมตายถ้าเห็นว่าในที่สุดร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีจะมีลาบยศสรรเสริญ ส, สุขมากน้อยเพียงไรถึงเวลาก็ตายเหมือนกันแต่เวลาอยู่จะทุกข์มากกว่าถ้ามีลาบยศสรรเสริญ ส, สุขกับคนที่ไม่มีลาบยศสรรเสริญ ส, สุขเพราะคนที่ไม่มีลาบยศสรรเสริญ ส, สุขก็ไม่ต้องมากังวล ไม่ต้องมากังวลว่าจะต้องคืนเข้าไปเมื่อไรเมื่อไรจะถูกเข้ามาลิบคืนไปคนที่มีลาบยศเสรเสริญสูงนี้จะต้องคอยกังวลคอยดูแลรักษาแต่จะดูแลรักษาอย่างไรดีขนาดไหนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันที่จะต้องคืนไปหมดไม่คืนตอนเป็นก็คืนตอนตาย แต่คนที่ไม่มีราบยศสละเสริญสุขก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับราบยศสละเสริญสุขนักบวชนี้เขาไม่วุ่นวายกับราบยศสละเสริญสุขเขาไม่เดือดร้อนมีเงินแล้วไม่มีเงินไม่เป็นปัญหามีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งไม่เป็นปัญหามีคนสละเสริญหรือคนนินทาหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหา ไม่มีรูปเสียงกิริยลดมาเสพก็ไม่มีปัญหาเพราะเขาสามารถหาอย่างอื่นมาเสพแทนได้แทนที่จะเสพราบยศสลเสริญเสพรูปเสียงกิริยลดโพธิพะผู้ที่มาบวชนี้เขาเสพความสงบกันถ้าเขาไม่สามารถสร้างความสงบขึ้นมาได้เขาก็อยู่เป็นพระไม่ได้ถึงแม้จะมาบวชถ้าบวชแล้ว หาความสงบไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องลาสิกขาไปถ้าไม่ลาสิกขาไปก็ต้องหาลาบยศสรรเสริญในรูปของนักรูปของนักบวชเนี่ยอย่างที่เราคงเห็นกันอย่างนี้นักบวชก็ไม่ต่างจากคารวาะนักก็หาลาบยศสรรเสริญเหมือนกันหาเงินหาทองเหมือนกัน ถูกจับติดคุกติดตารางก็หลายองค์เพราะไปหาเงินโดยไม่ชอบเอาเงินของวัดไปใช้เงินส่วนตัวที่ได้มาไม่พอใช้ก็เลยต้องไปเอาเงินของวัดไปใช้เพราะถูกจับได้ก็ถูกจับศึกเห็นไหถูกจับติดคุกติดตารางไปเพราะพวกนี้มาบวชแล้วไม่สามารถหาความสุขจากความสงบได้ ก็เลยไปหาความสุขจากราบยศเสรเสริญเหมือนตอนที่เป็นคราวาเพียงแต่ว่าไม่อยากจะไปเป็นคราวาสอยากอยู่เป็นพระแต่อยากจะหาราบยศเสรเสริญเหมือนตอนเป็นฆราวาสก็ไปรับกิจนิมนต์ต่างๆรับงานสวดต่างๆเวลาสวดก็ได้รายได้มีเงินจ่ายค่าสวดสวดศพสวดงานเกิดสวดอะไรต่างๆ ถ้าไม่พอใช้ก็อาจจะไปยักยอกเงินของวัดเนี่ยถ้ารู้จักใช้ก็อาจจะพอใช้อยู่ได้ก็ไม่ต้องยักยอกนอกจากหาหาลาบแล้วก็หายศไปหาตำแหน่งกันไปรับยศต่างๆไปเป็นพบครูเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณ เป็นสมเด็จเป็นอะไรเป็นสังฆราชกันไปอันนี้ก็ยศเหมือนกันเหมือนกับในพลนในพันในร้อยของทางโลกทางพระก็มีในในจ่าในสิบในร้อยในพลนเหมือนกันแบ่งเป็นขั้นเหมือนกันชั้นจ่าก็พวกพระครูทั้งหลายพระครูสัญญาบัตรพระครูใบดีกาพระครูอะไรต่างๆมี พระคูชั้นตีโทเอกนะแล้วพอคัดชั้นสัญญาบัตรก็เป็นเจ้าคุณเจ้าคุณก็มีเป็นชั้นๆเหมือนกันเจ้าคุณชั้นสามัญเจ้าคุณชั้นติชั้นราชชั้นเอชั้นเทพชั้นธรรมอชั้นรองสมเด็จชั้นสมเด็จชั้นสังฆราชนี่อันนี้ก็เป็นยศเหมือนกับทางโลกสังฆราชก็เป็นเหมือนเป็น นายพลเป็นผอทบผอท อ, อ, อ, อ, ท อ, อเป็นผู้บังคับบัญชาการสูงสุดก็เป็นสังฆราชไปอันนี้ก็เป็นเหมือนกับคารวะแทนที่จะมาหาความสงบหาไม่ได้ก็เลยต้องหาแบบนี้กันไปอยู่อยู่เป็นพระในผ้าเหลืองแต่ก็ไม่ต่างจากคารวะ ตรงที่หาลาบยศสรรเสริญสุขเหมือนกันความสุขบางทีก็ไปไปไปตามสถานที่ต่างๆก็มีเหตุผลว่าไปเผยแผ่ธรรมเดี๋ยวนี้ไปต่างประเทศกันเยอะแยะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าไปเผยแผ่ธรรมหรือไปหาลาบไปหารูปเสียงกลิ่นรสน ญาญโยมก็ไปต่างประเทศเหมือนกันนี่ญาญโยมก็ไปทุ่งลาเปล่าแล้วไปเที่ยวกันอพระก็ไปต่างประเทศเหมือนกันนี่อยธรรมก่อไม่ไปต่างประเทศก็ไปต่างจังหวัดเนี่ยอยู่จังหวัดนี้เบื่อก็ไปจังหวัดนู้นเบื่อจังหวัดนู้นก็ไปจังหวัดนี้เอก็วนไปเวียนมาเบื่อวัดนี้ก็ไปวัดนู้นเบื่อวัดนู้นก็ไปวัดนั้นเอก็ไปอเปลี่ยน รูปเสียงกลิ่นลถไปนี่คือนักบวชสมัยนี้กัรนักบวชสมัยพระพุทธเจ้าไม่ไม่เหมือนกันนักบวชสมัยพระพุทธเจ้านี้ท่านรู้จักหาความสงบท่านก็เลยไม่มีลาบยศสรรเสริญกันสมัยพุทธกาลไม่มีอไม่มีตําแหน่งนะพระไม่มีตําแหน่งไม่มีเจ้าอาวาสไม่มีไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าขุนไม่มีพระครู ไม่มีอะไรท่านปกครองกันด้วยพรรษาใครมีใครมีอายุมากก็ถือว่าเป็นผู้ผู้ปกครองไปวัดไหนพระที่มีอวุโสมีพรรษามากก็เป็นหัวหน้าไปไม่ต้องมาแต่งตั้งกันสมัยนี้เขายังมีการแต่งตั้งมีการวิ่งเต้นได้พระที่มีพรรษาน้อยกว่าอยากจะเป็นเจ้าวาดก็อาจจะวิ่งเต้นกับพระผู้ใหญ่ ให้แต่งตั้งให้มาเป็นเจ้าอาวาสพระที่มีพรรษาถ้าไม่วิ่งเต้นก็ไม่ได้อันนี้ก็มีนี่มันเป็นเรื่องของทางโลกไปหมดนะสมัยนี้ไม่ต่างกับคารวาดญาติโยมต่างตรงที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วกนศีสษะเท่านั้นเองแต่การดำรงชีพการอยู่นี่แทบจะไม่ต่างกัน และพวกที่มีลาบยศสรตเสรนี่มักจะไม่บินทบาทกันเสียได้ซ้ำไปมีคนจัดอาหารมาเลี้ยงถึงที่กุเตการอยู่การกินต่างกันกันกบสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้านี่บินทบาททุกวันอันนี้เป็นภารกิจที่พระเจ้าทรงเน้นทรงให้ความสำคัญต่อนัก บ, บวช ส่งสอนตั้งแต่วันบวชเลยพอบวชเสร็จออกมาจากบวชนี้ให้สอนเรื่องกิจที่สงที่พระพึงกระทำสี่ข้อข้อที่หนึ่งก็คือให้บินทบาตเป็นวัดเป็นหน้าที่เป็นกิจวัดในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้บินทบาตยกเว้นถ้าเกิดมีศรัทธาญาติอยู่มีกิจนิมนต์ในบางวันบางครั้งก็ ก็ยเว้นได้แต่โดยหลักให้ถือกิจบิณฑบาตเป็นวัดกิจที่พึงกระทาสำหรับพระนี่สี่ข้อนี้สอนตั้งแต่วันบวชเลยสอให้ใช้ผ้าบางสกุลคือให้ใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วไปหาผ้าเก่าผ้าทิ้งแล้วผ้าหอ่อศพผ้าบางสกุลก็คือผ้าหอ่อศพสมัยพุทธกาลนี้พระพุทธเจ้าใช้ผ้าหอ่อศพ ผ้าที่บวชกับพระพุทธเจ้าก็ไปหาใช้ผ้าห่อศพกันเพราะไม่มีใครถวายผ้ากันสมัยนั้นมีใส่บาทอย่างเดียวส่วนอย่างอื่นนี้ต้องหาเองก็เลยต้องไปหาผ้าที่เขาทิ้งในป่าชามามาซักมายอ้อมมาตัดมาเย็บเป็นผืนใหญ่มานุ่งห่มนจะึงเรียกว่าเป็นผ้ากาสาวพัด กาสาวพัดก็คือสีสีเหลืองๆที่เกิดจากการเอาแก่นน้ํามาต้มเอาแก่นน้ํามาต้มแล้วก็มาซักไม่ย้อมผ้าที่เก็บมาจากผ้าจากป่าช้านี่เองเป็นสีเหลืองอ่อนๆเรียกก็ผ้ากาสาวพัดนี่คือคําสอนที่พระเจ้าสั่งให้สอนกับพระบวชใหม่ข้อที่หนึ่งให้บินทบาต ไปจนมันตายข้อที่สองให้ใช้ผ้าบังสุกุลคือให้ใช้ผ้าตามมีตามเกิดพูดง่ายๆ ไ, ไม่ให้ไปขอผ้าชาวบ้านไม่ให้ไปซื้อผ้าไม่มีเงินซื้อผ้าผ้าไม่มีเงินสมัยนั้นถ้าอยากจะได้ผ้าดีต้องไปขอไม่ให้ขอห้ามขอจะขอได้ก็ต้องเป็นพี่น้องหรือคนที่เขา บอกโล่งหน้าไว้ก่อนว่าถ้าต้องการอะไรขอได้ขอจากเขาได้ะโดยทั่วไปแล้วให้ไปหาผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าที่เขาไม่ใช้แล้วมาทําเป็นผ้าจีวรลิงหรืออะไร <c oughs> กวางเลยอย่างนี้มันเชื่อมต้องหาอะไรไล่มันะหน่อยมันจะได้ไม่เชื่อม มีไม้มีล่มเลยรลองไปเคาะไล่มันดูนะอย่าให้มันเชื่องกับคนมากเดี๋ยวมันจะด้านมันจะดืเลื่อไล่มันไปอย่าเดี๋ยวเป็นเรานั่งอยูน่นี่มันก็จะมาเดินกองแ ก, ก๊กเดินข้ามหัวข้ามศีรษะเรานะเพราะมันไม่รู้ถ้าเราอยู่เฉยๆมันไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่กลัวเรามันก็เลยจะอะ ไม่มีความยำเกรงแต่ถ้ามันมาเราคอยไล่มันเรื่อยๆต่อไปมันจะไม่กล้าเข้ามา <c oughs> มันนี่คือวิธีสอนสัตว์เนี่ยพูดกันไม่พูดภาษาไม่รู้เรื่องก็เลยต้องใช้กิริยาอาการแสดงง่ายก็เห็นว่าไม่ต้องการให้เขามาที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะไม่มาต่อไปไม่ได้ขาดความเมตตาบางคนเห็นสัตว์มาไม่กล้าวะไม่กล้าว่าไม่กล้าไล่ กลัวจะหาว่าโหดร้ายทารุณเหมือนเลี้ยงลูกไม่กล้าตีลูกกลัวหาว่าโหดร้ายทารุณลูกก็เลยกลายเป็นลิงเป็นข้างไปนะไม่สั่งไม่สอนมันต้องสั่งสอนต้องตีบ้างแต่ตีด้วยเหตุด้วยผลไม่ตีด้วยอารมณ์ให้เขารู้คุณรู้โทษว่าทำอย่างนี้ผิดนะต้องถูกลงโทษนะเอาก้นมาตีสองไม้ จะได้เค็ดจะได้แต่อย่าตีแบบโกรธตีจนทั้งต้องพาเข้าโรงพยาบาลเงนี้อันนั้นก็เกินไปดีเพื่อสั่งเพื่อสอนเพื่อให้ยำเกรงเพื่อให้จดจำต่อไปเขาจะได้ไม่ทำสิ่งที่เสียหายเรื่องของของพระที่อยู่กับในสมัยพุทธกาลกับสมัยนี้มันค่อนข้างที่จะคนเป็นคนละเรื่อง ถึงแม้จะมีคำสอนให้ทำก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็ น, เ ป, นเป็นคำสอนเป็นธรรมเนียมไปไม่ได้ทำตามเพราะคนสอนก็ไม่ได้ทำคนสอนก็บางทีไม่ได้บินทบาตเนี่ยคนที่บวชพระนี่เป็นพระมีเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระมีตำแหน่งท่านไม่ค่อยบินทบาทกัน ท่านก็จะแต่สอนไปอย่างนั้นสอนเป็นธรรมเนียมเพราะถูกบังคับให้สอนผ้าบวชใหม่นี้จะต้องสอนกิจที่พึงกระทำสี่ข้อข้อที่หนึ่งให้บินตะบัดเป็นวัดไปจนวันตายข้อที่สองให้ใช้ผ้าบังสกุลคือให้ใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งแล้วมาเย็บมาปะมาย้อมมาทําเป็นจีวรข้อที่สามให้อยู่ตามโคนไม้ให้อยู่ตามป่า ให้ไปอยู่ป่ากันอยู่คนไม้ไปทำเพิงทำอะไรเอากิ่งไม้เอาใบาไม้มาทำเพิงพอที่จะหลบแดดหลบฝนได้เพราะในป่าเป็นที่เหมาะสมต่อการอยู่ของพระเป็นที่เหมาะต่อการฆ่ากิเลสเป็นที่เหมาะต่อการสร้างความสงบทางใจก็ให้ไปอยู่ป่าอยู่คนไม้ลุกขมูลละเสนาสนังแล้วข้อที่สี่ก็ให้ ใช้ท้ามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้ดื่มน้ำปัสสาวะนี้รักษาโรคผ่ยไขยเจ็บไปเพราะมันเป็นยาที่มีอยู่กับตัวไม่ไม่มีเงินซื้อแล้วก็ห้ามขอจากชาวบ้านก็เลยต้องอาศัยน้ำปัสสาวะนี้ดื่มกันเวลาไม่สบายก็ดื่มน้ำปัสสาวะกันยาดองน้ำมูดเ อ, เอามาขามป้อมเอาอะไรมาดองก็ได้แล้วก็ดื่มน้ำที่ดอง ก็ใช้เป็นยาได้อันนี้คือกิจที่พระพึงกระทำสี่ข้อด้วยกันนอกจากกิจที่พึงกระทำสี่ข้อแล้วก็สอนต้องสอนอีกด้วยว่ากิจที่พระไม่พึงกระทําอีกสี่ข้อห้ามห้ามกระทําโดยเด็ดขาดถ้ากระทําแล้วจะขาดจากการเป็นพระทันทีคือหนึ่งการไปร่วมหลับนอนกับศีกากไปมีเพศสัมพันธ์ะที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเสพเมทุนะ ข้อสองการฆ่ามนุษย์ข้อสามการลักทรัพย์ข้อสีการอวดคนวิเศษที่ไม่มีในตนเจนอวดว่าได้สมาธิได้ฌานนั่นฌานนี้ได้เป็นโสดาได้เป็นสกิรดาคาแต่ไม่ได้เป็นแต่ถ้าเป็นไม่ถือว่าอวดถ้าเป็นจริงๆไม่ถือว่าอวดถ้าได้จริงๆไม่ถือว่าอวดแต่บางทีไม่รู้ว่าคนพูดนี้ได้หรือไม่ได้ เพรของมันเป็นของในใจจึงไม่ข้อมักจะไม่มีใครกล้าพูดกันเพราะพูดแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีถูกเขากล่าวหาได้กล่าวหาว่าอวดอุตริคุณวิเศษที่ไม่มีในตนนี่คือกิจที่พระบวชใหม่ต้องศึกษาแปดข้อด้วยกันแบ่งเป็นสองสองฝ่ายกิจที่พึงกระทําและกิจที่ไม่พึงกระทําะ ถ้าผ้าบวชนใหม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้นะ้มันก็จะไม่มีปัญหาอย่างที่เป็นอยู่กันทุกวันนี้ปัญหาทุกวันนี้มันแทนที่จะไปบิณฑบาตก็ไปสั่งอาหารมากินไปซื้ออาหารมากินเพราะอยากจะกินอาหารที่ถูกปากถูกใจก็ต้องมีเงินก็ต้องหาเงินซื้อ ตอนต้นอาจจะไม่มีเงินอาจจะไม่ได้ติดใจตอนต้นอาจจะบินถบาศแต่พอมีกิจนิมนต์ญาติโยมพรเอาอาหารจานเด็ดเด็ดมาเลี้ยงก็เลยติดใจขึ้นมาไปบินถบาศไม่ได้อาหารจานเด็ดเหมือนตอนที่ไปตามกิจนิมนต์ตามบ้านก็เลยติดใจบางวันก็เลยไม่ไปบินถบาศสั่งให้ลูกศิษย์ไปซื้ออาหารจานเด็ดมารับประทานะ พอมีการซื้อมีการสั่งมันก็ต้องมีการหาเงินหาทองเลยทีนี้ก็ต้องคอยดูว่าที่ไหนมีกิจนิมนต์ที่ไหนมีซองแจกก็เลยกลายเป็นการหาลาบไปถ้าทำตามพระพุทธเจ้าสอนไม่ต้องมีลาบไม่ต้องมีเงินถ้าอยากจะกินข้าวก็บิณฑบาตมีอะไรก็กินตามที่มีตามเกิดขอยคิดว่าเป็นของฟรีก็ดีแล้วยังจะไปเลือกอีกเหรอ แต่ไหมอยู่ดีๆออกไปข้างนอกถือบาดไปนี่เขาก็ได้ของฟรีมากินแล้วยังต้องไปเลือกอีกเนี่เวลาหิวจริงๆนี่อะไรก็อร่อยทั้งนั้นแหละลองกินมื้อเดียวดูเลยลองฉันมื้อเดียวดูพอถึงเวลาฉันนี่ข้าวเปล่าๆยังอร่อยเลยะเพราะมันไม่ได้กินมาต้องยี่บสี่ชั่วโมงถ้าฉันมื้อเดียวเนี่ยมันทิ้งช่วงถึงยี่บสี่ชั่วโมง ถ้าสองชั้นฉันสองมือแล้วตอนบ่ายยังมีเหน่อยคนเหนื่ยใสอะไรน้ำอะไรมันก็มีอะไรหลอดเลี้ยงท้องอยู่ตลอดเวลาพอถึงเวลาจะฉันตอนเช้าบางทีก็ฉันไม่ลงก็มีต้องหาอาหารที่ถูกปากถึงจะฉันลงนี่ก็คือเรื่องของการมีปัญญาหรือไม่มีปัญญา ผูที่มาบวชนี้ถ้าบวช ด, ด้วยปัญญาเขาจะเขาจะไม่ทําอย่างนี้เขาจะไม่หาเงินหาทองเพราะเขาเห็นด้วยปัญญาว่าเงินทองเป็นทุกข์เขาจะไม่มาหาตําแหน่งเขาจะไม่มาหายศมาหาตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะอําเภอเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระครูเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็นอะไรเขารู้ว่านี่เหมือนเป็นทุกข์ มันไม่เที่ยงมีเจริญก็มีเสื่อมถ้าเป็นพระจริงๆก็ไม่หาของเหล่านี้พระจริงๆก็หาความสงบเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีสมเด็จไม่มีสังฆราชไม่มีเจ้าฟ้าไม่มีเจ้าคุณไม่มีพระครูไม่มีเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็คือพระผู้ใหญ่ในวัดนั้นกลเป็นพระผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ดูแลพระผู้น้อยไป ใครเป็นลูกชายคนโตเป็นพี่คนโตก็เป็นเป็นคนที่ดูแลวัดไปเขารบกันด้วยพรรษาไม่ได้เขารบด้วยตําแหน่งว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณหรือเป็นสมเด็จเนี่ยจะเขารบด้วยอายุพรรษาใครบวชก่อนก็ต้องเขารบคนที่บวชก่อนถือเป็นพี่นในสมัยพุท ธ, ธกาลการบวชเขาบวชอย่างนี้ยังมี ตอนที่พระพุทธเจ้าไปทรงโปวอพระราชบิดาที่พระราชวังไปแสดงทำให้กับพระญาติทั้งหลายก็เกิดมีเจ้าชายที่เป็นญาติอยู่ห้ารูปเกิดศรัทธาอยากจะบวชออกบวชแล้วก็มีคนรับใช้ที่เป็นช่างตัดผมขอบวชตามอีกคนหนึ่ง นตอนที่จะบวชนี้เจ้าชายทั้งห้ารูปเลยปรึกษากันว่าจะให้คนรับใช้นี่บวชก่อนเขาจะได้เป็นใหญ่่าเขาจะได้บวชก่อนเขาจะได้เป็นพี่พวงเจ้าฟ้าเจ้าชายที่เคยใช้มันจะต้องกาบมันจะต้องเข่าลบมันนี่คือการบวชสมัยก่อนบวชไม่ได้บวชเพื่อจะหาหายศหาอะไรบวชเพื่อละยศเนี่ยเป็นเจ้าฟ้าก็ขอละ จากการเป็นเจ้าฟ้าไปเป็นพระแล้วก็ให้ให้ช่างตัดผมนี้บวชก่อนเพื่อจะได้ให้ช่างตัดผมนี้เป็นพี่แล้วเจ้าชายเจ้าชายทั้งห้าก็จะต้องกราบเคารพผู้ที่บวชก่อนผู้ที่มีพรรษาก่อนแก่กว่านี่แหละคือบวชแบบนี้ไม่ได้บวชมาเพื่อหามาหายศหาตําแหน่งกันพวกนี้บวชเพื่อหานิพพานหาความสงบ หาการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเขาหากันอย่างนี้สมัยพระพุทธเจ้าจึงไม่มีไม่มีเจ้าอาวาสไม่มีอะไรเจ้าฟ้าเจ้าขุนไม่มีพระครูไม่มีอะไรเหมือนกับสมัยนี้สมัยนี้มันกลายเป็นโลกไปหมดนะมีการถวายเงินสมัยพุทธกาลก็ห้ามไม่ให้มีการถวายเงินทองพระรับเงินทองไม่ได้ แต่ต่อมาก็มีข้อยกเว้นมีเรื่องกรณีพิเศษพระบางรูปอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องมีเงินทองไว้ซื้อยาซื้ออะไรเพราะมีโรคประจําตัวที่ไม่สามารถที่จะได้จากการบินธบาติพระพุทธเจ้าก็เมตตาแต่ไม่ให้พระครอบครองเงินให้ฝากเงินไว้กับลูกศิษย์คนใดคนหนึ่งที่เชื่อถือได้และเวลาขาด ปัจัจสี่ขาดอะไรที่จำเป็นขาดยารักษาโรค ก, ก็ให้ลูกจะต้องไปหาหมอไปหาคนที่เขารักษาสมัยก่อนเขาอาจจะไม่มีไม่รักษาฟรีก็ได้ไม่สบายก็อาจจะต้องไปหาหมอหายาก็ต้องมีเงินจ่ายเขาก็ให้ลูกศิษย์เป็นคนเอาไปจ่ายให้ไม่ให้พระเป็นคนเก็บเงินเก็บทองใช้เงินใช้ทองเองให้ฝากไว้กับคนที่เชื่อถือได้ ถ้าเกิดคนที่เชื่อถือได้เกิดก้าเงินไปใช้หมดก็ช่วยไม่ได้ก็ซวยไปจะไปทวงคืนก็ไม่ได้เพราะไม่ให้ถือว่าเป็นเงินของพระเป็นเงินของโยมเงินของผู้ให้ผู้ให้ฝากไว้กับคนที่เชื่อถือเพราะผู้ให้ไม่สามารถอยู่ใกล้ชิดตลอดเวล า, าก็เลยฝากไว้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่อยู่ใกล้วัด อั น, นี้คือเรื่องเงินทองยึงมีการอนุญาตให้ถวายเงินทองได้แต่ไม่ให้รับกับมือไม่ให้เก็บไว้ไม่ให้ครอบครองไม่ให้เอาไปใช้เองถ้าต้องการอะไรต้องให้ลูกศิษย์ให้คารวาดญาติโยมเป็นคนไปจัดการหามาให้เช่นต้องการจีวรถ้าไม่มีจีวรถ้าต้องการยาถ้าเกิดไปอยู่ที่กันดารไม่มีอาหารบินบบดไม่ได้อาหาร ก็ให้ลูกจิตไปซื้ อ, อยะซื้ออาหารมารับประทานอะไรอย่างนี้ใช้เงินในแบบนี้ได้อยู่แต่ไม่ให้พกพาสา ย, ย่ามไม่ให้ไปเดินตามศูนย์การค้าตามร้านตามห้างอยากจะซื้ออะไรก็ซื้ออยากซื้อบุหรี่ก็ซื้อบุหรี่อยากจะซื้ออะไรซื้อเครื่องดื่มดื่มก็ซื้อดื่มอะไรอย่างนี้ทำเองไม่ได้นี่คืี่เรื่องเงินทอง พระพุทธเจ้าเห็นภัยในเรื่องของเงินทองเพราะมันจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปหมดแทนที่จะเป็นอาวุธฆากิเลสมันจะกลายเป็นเครื่องมือปกป้องรักษากิเลสพระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่ให้รับเงินรับทองห้ามไม่ให้มีเงินมีทองแต่สมัยนี้มันก็กลายเป็นมันก็มีกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็มีการใช้ ใช้จ่ายเงินทองกันซื้อขา้าวซื้อของอะไรกันแต่ถ้าพราะที่บวชจริงๆพระที่มีความสงบจริงๆนี้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องมีเงินมีทองมีก็ไม่ได้ไว้ใช้เองมีก็เอาไปทำบุญทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมให้แก่โลกก็เรียกว่าสงเคราะห์โลก อย่างาพระที่มีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบญาติโยมก็อยากจะทำบุญการทำบุญที่ง่ายสะดวกก็ถวายเงินท่านก็รับไว้แล้วท่านก็เอาไปสงเคราะห์โลกต่อไปเอาไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสนับสนุนอะไรสิ่งต่างๆที่มีคนมีประโยชน์ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน หรือดูแลวัดวารามก็ต้องใช้เงินบ้างถ้ามีอาคารชำรุดซ่อมแซมต้องมีการบูรณะซ่อมแซมอะไรนี่ถ้าใช้แบบนี้ก็ไม่ได้เป็นกิเลสแต่ถ้าเอาไปใช้ส่วนตัวเอาไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดืม่มเนี้ก็ถือว่าเป็นกิเลสมันก็ไม่ต่างจากการเป็นคารวะนี่คือเรื่องของการการบวชที่เกิด บวช ด, ด้วยปัญญากั บ, บวน ด, ด้วยอวิชชาต่างกันบวช ด, ด้วยปัญญานี้จะเห็นภัยของลาบยศสารเสรินสุขจึงไม่อยากจะแตะไม่อยากจะมีไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับลาบยศสารเสรินสุขดูพระที่เป็นพระสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่เรากลาบไหวบูชากันท่านไม่มีลาบยศสารเสรินท่านไม่มีตําแหน่งท่านไม่มียศไม่มีอะไร แต่บางทีท่านก็ถูกบังคับให้รับก็รับเนี่ยอย่างในหลวงท่านเขารบาพระป่าครูบาจารย์ท่านก็เอายศมาถวายเอาพันยศมาถวายเพราะท่านรู้ว่าท่านไม่รู้จะถวายอะไรให้แสดงความเคารพนับถือก็เลยคิดว่าการถวายพัยดยศนี้เป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือในองค์พระท่านก็เลยเอาพันยศมาถวายอ อต่ท่านไม่ต้องการฮะแต่เมื่อเป็นคนใหญ่คนโตก็ต้องรับไว้ไปปฏิเสธมันก็น่าเกลียดอก็รับไว้รับแล้วท่านก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันรับแล้วท่านก็ตั้งมันไว้เฉยๆเหมือนกับมีมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งไม่รู้จริงหรไม่จริงแต่เขาบอกเกี่ยวกับสังฆราชองค์หนึ่งในเมืองไทยนี่แหละแต่องค์นี้ท่านเป็นพระเป็นพระที่อยู่ในแนวปฏิบัติท่านสนใจกับการปฏิบัติ ท่านบวช ด, ด้วยปัญญาแต่ท่านก็อยู่ในอยู่ในสังคมที่ต้องมียศเนี่ยพอบวชแล้วเขาก็ตั้งให้ท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณอะไรไปจนในที่สุดท่านก็ได้เป็นสังฆราชนวันที่ท่านไปรับพัดสังฆราชจากในหลวงเวลากลับวัดท่านก็บอกให้คนขับรถไปจอดที่ ข้างหลังวัดท่านจะเข้าประตูหลังแล้วท่านก็บอกว่าเอาพัดนี้ไปเข้าประตูหน้ามีคนรอรับสังฆราชอยูอ่ท่านบอกท่านบอกท่านไม่ได้เป็นสังฆราชท่านเป็นหลวงตาธรรมดา <c oughs> ขอกลับกุฏิส่วนเดียวเอาสังฆราชไปให้ยาตกเขารอ อ, อยู่ที่หน้าวัด <c oughs> อันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงแต่ได้ยินมา มันเป็นนิทานหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> นี่แหละคือเรื่องของการบวช ด, ด้วยปัญญาหรือบวช ด, ด้วยไม่มีปัญญาถ้าบวชโ ด, ดยไม่มีปัญญานี่จะหลงกับลาบสักการะต่างๆจะหลงกับลาบที่ได้รับญาติโยมถวายเงินทองมาดีอกดีใจแล้วก็เอาเงินทองไปใช้ตามกิเลสตั้หาความอยากของตนแล้วก็ ได้ตำแหน่งมาได้ยศมาก็ดีอกดีใจเลี้ยงฉลองกันช่มฉลองพระยศกันสามวันสามคืนญาติโยมก็ดีใจก็เลยถูกพระถ้าไม่ดีใจก็ต้องดีใจด้วยเพราะบางทีญาติโยมเป็นบังคับมันเป็นคนบังคับให้ฉลองอย่างจัดงานในวัดให้ ถ้าพระไม่มีธรรมะไม่มีกำลังก็สู้ไม่ไหวถ้าไปฝืนเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เราจะต้องเลยตามเลยเขาให้ฉะร้องก็ฉะร้องเอาก็เราไปอยู่แบบนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะอยู่แบบนั้นเราก็ต้องหนีเข้าป่านะเนี่ยพระที่เขาหนีเข้าป่าเขาก็ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องราวเหน่านี้แต่ถ้าบวชแล้วอยู่ที่วัดที่บวชเดี๋ยวมันก็ต้องเจริญไปตามเวลา อยู่ไปมันก็มีพรรษาไปเรียนหนังสือมันก็มีวิชามีความรู้เดี๋ยวก็ตั้งให้เป็นพระครูตั้งให้เป็นเจ้าคุณมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าบวชถ้าบวชเพื่อหนีลาบยศสรรเสริญจริงๆถึงแม้จะต้องบวชอยู่ในเมืองพอบวชเสร็จก็ต้องหนีออกไปอยู่ป่าละพอถ้าอยู่ในเมืองเดี๋ยวก็ติดลาบยศสรรเสริญเนี่ยมันจะมาหา เพราะวัดในเมืองนี้ทุกวันมันก็มีแต่เรื่องราบยศเสรเสริญถ้าอยากจะบวชเพื่อห น, นีราบยศเสรเสริญบวชเสร็จแล้วก็ต้องไปเข้าป่าไปอยู่ตามวัดป่าเพราะที่ต้องบวชในวัดในเมืองเพราะพ่าวัดป่าเขาไม่นิยมบวชอย่างเพราะมันวุ่นวายมันเรื่องมากบวชที่ญาติโยมพระมาแห่กองยาวทีวัดก็ตื่นเงือะ ส, ส่งเสียงอัลกอเทศคึกโคร วัดป่าจึงไม่ค่อยอยากจะมีโบสถ์ไม่อยากจะมีงานบวชเพราะมีแล้วมันไปทำลายความสงบคิดดถูถ้าเกิดมีงานบวชบนนี้เป็นยังไงเ <c oughs> เดี๋ยนั่งอย่างนี้ได้ปเปล่านี่เดี๋ยวกองยาวก็เข้ามาแล้เนี่ยวัดป่าจึงไม่นิยมที่จะบวชพระกันใครอยากจะบวชก็เลยต้องไปบวชตามวัดในเมืองบวชเสร็จแล้วก็ค่อยย้ายออกจากวัดเมืองไปอยู่วัดป่าอีกทีหนึง่งบางทีก็ บวชด้ปัญญาเขาจะเป็นอย่างนี้บวชแล้วเขาก็จะหนีเข้าป่ากันม็อยู่ตามวัดป่าวัดเขาแต่พวกที่บวชไม่รู้ภาษีภาษาบวชตามธรรมเนียมบวชตามประเพณีหรือบวชเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพก็มีบางคนหางานทำไม่ได้อดยากขาดแคลนบวชดีกว่าบวชแล้วก็มีมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้บวชแล้วก็ไปหัดสวดมนต์ไม่กี่บทก็ไปออกงานได้แล้ว ไปรับกิจนิมนต์ได้แล้วถ้าบวชแบบนี้ก็บวชแบบไม่มีปัญญาบวชเพื่อหาราบยศสรรเสริญบวชเพื่อจะได้เป็นพระครูเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณบวชเพื่อที่ได้เป็นเจ้าอาวาสได้เป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นอุปชาเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็บวชแบบไม่มีปัญญาคนที่บวชแบบมีปัญญานี่ยเขาบวชเพื่อทิ้งราบยศสรรเสริญไม่หา ไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญสุขท่านก็จะไปอยู่ตามป่าตามเขากันไปหาความสงบไปเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเพื่อกำจัดความวุ่นวายใจที่เกิดจากกิเลสตัณหาต่างๆให้มันหมดสิ้นไปถ้ามีจะมีการเจริญสมถะวิปัสนาภาวนาแล้วไม่ช้าก็เร็วกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจก็จะถูกทาลายไปหมด ใจก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลามีความสงบตลอดเวลาเป็นปรมสุขเรียกว่าปรมังสุขขังนิบบานังปรลมังสุขขังเนีย่ยครูบาอาจารย์สายวัดป่ากันเนี่ยท่านอยู่แบบนี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้ท่านตายกระดูกของท่านก็กลายเป็นพระาธาตุกันนะอันนี้ก็แสดงว่าท่านได้บรรลุธรรมแล้วได้ถึงนิพพานแล้วถ้ากระดูกเป็นพระาธาตุ นี่แหละคือการบวช ด, ด้วยปัญญาคือเห็นโทษของลาบยศสารเสริญสุขว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันมีเจริญแล้วมันต้องมีเสื่อมมีเจริญลาบก็ต้องเสื่อมลาบมีเจริญยศก็ต้องเสื่อมยศมีสารเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์สลับกันไปสลับกันมานี่คือเรื่องของโลกกะธรรมแปดที่ผู้ที่ปุุชน์คาวะญาติโยมผู้ครองเรือน สวงหากันเพราะไม่มีปัญญาเพราะมองไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงมองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์มองไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตาไม่อยู่การภายไม่อยู่ภายใต้การควบคุมครับไม่ได้เป็นของตนอย่างแท้จริงเป็นของยืมเข้ามาได้มาแล้วเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องคืนเข้าไปไม่คืนตอนเป็นก็ต้องคืนตอนตายคนที่มีปัญญาก็จะไม่ไม่อยากจะมีลาบยศสรเริญสุข ก็จะไปบวชกันไปบวชแล้วก็ไปหาความสงบกันเป็นความสุขที่แท้จริงท่านี้ถ้าบวช ด, ด้วยปัญญาจะเป็นอย่างนี้บวชแล้วจะไม่ไม่ยุ่งกับลาบยศสรรเสริญถ้าวัดไหนมีลาบยศสรรเสริญก็ต้องหนีไม่อยู่อยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่วัดที่ไม่มีลาบยศสรรเสริญอยู่เพื่อภาวนา จิตตภาวนาสมถภาวนาวิปั ส, สนาภาวนาเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพื่อความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่เป็นบรลลังก์มรรคเนีที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ได้มีได้เป็นกันนี่คือเป้าหมายของผู้ที่บวช ด, ด้วยปัญญาบวชเพื่อการหลุดพ้นบวชเพื่อความสุขใจที่แท้จริง น, นี่ก็คือเรื่องของปัญญาที่เราพึงจะพิจารณากันถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเราหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดออกจากกองทุกของาลาภยศสารเสรินสุขต้องหมั่นพิจารณาว่ า, าลาภยศสรเสินสุขนี้มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นของเรามันไม่เป็นของเราแท้จริงมันเป็นของยืมเข้ามา ไอ้คิดอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะเบื่อแล้วเราก็อาจจะออกไปบวชได้เราจะบวช ด, ด้วยปัญญาเราจะไม่ไปหลงไปติดอยู่กับการหาลาบยศสรรเสริญในเพศของขอราวาสอันนเพศของพระเพราะตั้งใจมาบวชเพื่อละลาบยศสรรเสริญสุขก็จะมุ่งไปสู่การภาวนาเพียงอย่างเดียวการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตถุทินังเปตานังอุปปกักปติอิตชิตังปฏิตังตุมหังคิปเเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะหะระโสยธามณิโชติอะราโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตะวันตราโยสุขีทีขายุโกภะอะพิวาธนสีลิสะนิจจังวุทฒาปจายโน จตารุธรมมวทานติอายุวันโนสุขังภาณวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้จาก f a c e b o o สามร้อยเก้าสิบสองร้อยหกสิบเก้าวิทยุออนไลน์สามสิบสี่ผู้รับฟังบนเขาสามสิบสามรวมหกรอยยี่สิบแปดค่ะ มีใครอยากจะคาถามคำถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้ถ้าอยากจะถามยกมือขึ้นจะส่งใหม่ไปให้ถ้ายังไม่มีก็จะให้คำถามทางบ้านเข้ามาก่อนมีคำถามทางบ้านั้ยค่ะมีสวัสดีมาจากคุณแฮร์รี่เจอร์แมนค่ะสาธุครับพระอาจารย์ท่านนี้เหรอ อนอกจอกนั้นเป็นภาษาเยอรมันอ่านไม่ออกค่ะแล้วก็น่าจะเป็นสวัสดีค่ะทีนี้ตอนนี้ YouTube มีปัญหาก็เลยไม่ทราบว่าคำถามจะไม่เห็นคำถามอะค่ะอตอนนี้ถ่ายทอดสดจากตัว y o u ูทูบยู u ูบตัวไหนมีปัญหาตัวถ่ายทอดสดค่ะอันตัวไหนละมันมี a ฟ e b o o กกับ y o u t u อะตั ว, ต, วตัว youtube เลยค่ะ YouTube เสีย อ่าตอนนี้เข้ายูทูบได้แล้วครับเข้ได้แลครับแต่จะไม่เห็นกันแต่คาถามที่ก่อนหน้านี้จะไม่เข้ามาเลยต้องให้เขาส่งเข้ามาใหม่นะครับใครที่ส่งคําถามเข้ามาทาง y o u ูทูบขอให้ส่งเข้ามาใหม่ถ้าเป็นภาษาเยอรมันก็ขอให้เป็นภาษาอังกฤษเพราะไม่มีใครอ่านออกอ่านได้แต่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษโปรแกรมนี้มีไว้แค่สองภาษา ยังไม่มีแล้วกูก้นแปลให้ไม่ได้เหรอ u t u ู e แปลให้ได้เปล่ากําลังหาหาอยูค่ะ a c e b o o k ไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีค่ะคำถาม Facebook นะคะจากคุณสุมนทาเวลานั่งใจมันไม่นิ่งจะทำอย่างไรคะก็ไม่มีสติมันก็ไม่นิ่งอย่างนั้นก็ต้องหาสติมาทำให้มันนิ่ง วิธีจะให้มีสติก็ต้องหมั่นพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆอย่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดเวลาไม่คิดเวลาไม่จําเป็นจะต้องคิดแล้วไปคิดเรื่อยเปื่อยคิดเพิ่เจอเพ então, ิ่ฝ <akkor> <ๆ S 2> ันก็หยุดมันใช้พุทโธพุทโธหยุดมันเวลาจํา <พ advertising S 2> เป็นจะต้องคิดเรื่องที่ต้องคิดก็ให้คิดได้เช่นเวลาคิดว่าตอนนี้จะต้องไปทําอะไรต้องไปเตรียมตัวอะไรก็คิด พอคิดเสร็จก็เวลาไปเตรียมตัวก็ให้ใช้พุทโธพุทโธคอยหยุดความคิดนะแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิจะมีสติแล้วใจจะเน่งค่ะ g o o g l e แปลของคุณแฮร์รี่แล้วนะคะก็คือแฮร์รี่สาธุค่ะ Google แปลอย่างนี้ค่ะแค่นั้นเองเลยอสาธุแฮร์รี่ คำถามต่อไปจาก Facebook คุณบุญพรมกราบเรียนถามพระอาจารย์เมตตาสั่งสอนเรื่องขันหเพื่อน้อมนำมาปฏิบัติหน่อยครับและมีความเชื่อมโยงกับการนำมาใช้ปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างไรครับสาธุครับขันหก็คือส่วนประกอบของชีวิตเรารู ป, ปรขันก็คือร่างกายของเราเนี่ยที่มีอาการส2สองคือผมขนเละฟัน นังเนื้อเอ็กระโูกเป็นต้นนี่คือรูปประขันเป็นขันที่หนึ่งขันห้านี่แบ่งเป็นสองส่วนแบ่งเป็นรูปประขันกับ น, นามขันนามขันมีอยู่สี่ขันนามขันนี้อยู่ที่ใจเป็นส่วนของใจเป็นส่วนของจิตผู้รู้สึกนึกคิดคือใจมีส่วน อยู่มีมีตัวที่ทำความรู้สึกนึกคิดอยู่สี่ตัวด้วยกันตัวที่หนึ่งคือวิญญาณวิญญาณเป็นตัวที่รับรูปเสียงกลิ่นรสมาจากร่างกายร่างกายกับใจนี้เป็นเหมือนคนสองคนไงร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยากจะดูรูปเสียงกลดิ่นรสก็เลยต้องใช้ตา หูหูจมูกนิ้งกายของร่างกายใจก็เลยส่งวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อจะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสส่งไปให้ที่ใจนี่คือนามขันนามขันมีอยู่สีอันอันแรกเรียกว่าวิญญาณเป็น ญ, ญาณเป็นผู้มารับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพัชจากตาหูจมูกนิ้นกายจากรูปประขัน อย่างตอนนี้เราได้ยินเสียงเนี่ยก็เสียงมันเข้ามาที่หูนะก็ามาที่ร่างกายก่อนแล้วใจถ้ามีวิญญาณมาเกาะก็จะรับเสียงไปส่งไปที่ใจใจก็จะได้รับเสียงพอเสียงไปถึงใจใจก็มีตัวที่มาแปลคําหมายของเสียงว่าเป็นเสียงอะไรได้ยินเสียงแล้วเราก็บางทีก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรบางทีก็รู้บางทีก็ไม่รู้เพราะอะไร เพราะเสียงที่เรารู้ก็เพราะเราเคยได้ยินมาก่อนเราถึงจะรู้ถ้าเสียงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรรู้เพียงแต่ว่ามันเป็นเสียงรู้ว่ามันเสียงพังแล้วมันแสบหูไม่แสบหูจะรู้แค่นั้นถ้าเสียงบางเสียงได้ยินแล้วมันแสบหูบางเสียงได้ยินแล้วไม่แสบหูแต่จะไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเสียงด่าเสียงชมไม่รู้ อย่างเมื่อกี้เยอรมันถ้าเขาด่ามาหรือชมมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาด่าหรือชมเพราะเราไม่มีสัญญาสัญญาคือความจำไม่มีข้อมูลอยู่ในความจำเราไม่ได้ไปเรียนภาษาเยอรมันมาพอเขาพูดเสียงภาษาเยอรมันให้เราฟังเราก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราเรียนภาษามาพอเขาพูดเราก็จะรู้ว่าเขาพูดดีหรือไม่ดีทันทีเขาทักทายหรือด่าเราพอได้ยินเสียง อันนี้เป็นหน้าที่ของสัญญาสัญญานี่ก็เป็นนามขันเป็นขันขันที่สามขันที่หนึ่งคือรูปขันที่สองก็คือสัญญวิญญาณที่รับรูปเสียงกลิ่นรสมามาทางร่างกายรูปประขันก็คือร่างกายขันแรกที่เราเรียกว่ารูปประขันความจริงมันเรียกว่าร่างกายคือร่างกายร่างกายเป็นผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพ แล้วก็วิญญาณเป็นผู้ไปรับจากตาหูจมูกลื่นกายมาส่งให้ที่ใจใจก็มีสัญญามาคอยมาแยกแยะว่าเป็นรูปอะไรเสียงอะไรถ้ามีอยู่ในข้อมูลเหมือนก็จะรู้ว่าเป็นรูปคนนั้นคนนี้เป็นเสียงของคนนั้นคนนี้จะรู้ว่าเสียงดีไม่ดีรูปรูปดีไม่ดี พอรู้ปั๊บว่าเป็นรูปดีเสียงดีก็จะเกิดเวทนาคือสุขขึ้นมาถ้าได้เจออะไรที่ดีที่ชอบมันก็จะสุขขึ้นมาถ้าได้อะไรที่ไม่ดีไม่ชอบมันก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาอันนี้คือตัวที่ตัวที่สี่แล้วตัวที่สี่ก็คือตัวเวทนาก็จะเกิดตัวหนึ่งคือตาตัวหนึ่งคือร่างกายตัวที่สองคือวิญญาณที่เชื่อมต่างกายกับใจ ตัวที่สามก็คือตัวสัญญาที่มามาแปลความหมายของรูปเสียงกลิ่นรสว่าดีแล้วไม่ดีพอรู้ว่าดีแล้วไม่ดีก็เกิดเวทเวทนาความรู้สึกขึ้นมาสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ถ้ามันกลางๆดีก็ไม่ดีไม่ดีก็ไม่ใช่มันก็เฉยๆ mm. ก็เกิดความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกมีสาม ที่ข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะทำให้เกิดมีความรู้สึกอยู่สามสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วพอเกิดความสุขทุกข์ขึ้นมาก็มาถึงตัวที่สขันตัวที่ห้าคือสังขารความคิดปุงแตงความคิดก็จะคิดว่าเออจะเอาไงดีกับรูปนี้กับเสียงนี้ถ้าไปได้ยินเสียงไปได้ยินแผ่นเสียงฟังเพลงนี้เพราะ ดาวน์โหลดมาไหมดาวน์โหลดก็เสียเงินนะจ่ายเงินสังขารก็สั่งให้กดมือถือดาวน์โหลดเพลงนี้เข้ามาในเครื่องอันนี้ก็เรียกว่าสัางขาสรสังขารเป็นตัวสัง่งผู้สั่งการให้ร่างกายทําอะไรก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งถ้าเจอเสียงไม่ดีก็สั่งลบทิ้งลบทิ้ง delete ดกดไปเลย อันนี้ก็สังขารเป็นคนสั่งสั่งไปที่ร่างกายอีทีนึงสั่งกลับไปที่ร่างกายนี่คือการทํางานของขันห้าที่ทําไปตามเหตุการณ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆวิญญาณต้องเปลี่ยนไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาเวทนาสัญญามันก็เปลี่ยนไปตามรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาสังขารก็สั่งไปตามเหตุการณ์ต่างๆะ อันนี้ก็คือเรื่องของการทํางานของขันห้าโยมมีคําถามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเอไมโครโฟนไปก่อนจะได้ยินเสียงช่วยช่วยพูดใกล้ๆปากหน่อยขอกลับเบนถามเพิ่มเติมพูดใกล้ๆปากหน่อยพูดขอกลับเบนถามเพิ่มเติมค่ะที่เกี่ยวกับอืม รูปนะคะกับวิญญาณเนี่ยถ้าเกิดรูปตัดรูปมันดับแล้วเนีค่ะวิญญาณตัวที่อยู่ในแขนห้าเนี่ยมันดับไปด้วยเลยด้วยแบล่าค่ะอ๋อไม่ดับแล้ววิญญาณเวทนามขันทั้งสี่ไม่ดับมันอยู่มีอยู่กับจิตเนี่ไอจิตก็เลยเราเปลี่ยนชื่อจิตว่าเป็นวิญญาณไปทั้งเป็นทั้งดวงไปไปทั้งดวงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันไปเป็นพวงมันมาด้วยมันมาเป็นพวงมันไปเป็นพวง มันรวมกันเราเรียกว่ามันเป็นจิตตัวรู้มันอยู่กับตัวรู้ ก, ก็จิตเดิมก็ตัวเดียวกันไม่เปล่าตัวนี้แหละ oh, <okay. S 2> ตัวนี้แหละ <Okay. S 2> จิตเดิมก็คือตัวที่นามขันหยุดทํางานเนี่ยเวลาเข้าสมาธิ mm. เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหยุดทํางานจิตก็นิ่งสงบก็เราเรียกว่าจิตเดิมเหลือแต่ตัวรู้สักแตว่ารู้ค่ะ okay. เหมือนเวลาที่ร่างกายตายไปตัวจิตตัวรู้กับไอ้ตัวนามขันนี้จะไปด้วยกันแล้วพอไปได้ร่างกายอันใหม่มันก็ทาหน้าที่ใหม่ความจาเก่ามันยังมีอยู่มันถึงจําได้ของที่เคยเห็นของสีที่เคยชอบมันก็ยังชอบอยู่สีที่มันเกลียดมันก็ยังเกลียดอยู่คนที่เคยเกลียดก็ถ้าเจอก็จะเกลียดอยู่คนที่เคยรักเจอกันก็จะรักอยู่ มันมันไม่ได้ดูที่หน้าตาอย่างเดียวคนเราจําได้บางทีเสียงหรือกิริยาการมันไม่เปลี่ยนนะหน้าตาจะเปลี่ยนแต่เสียงนี่ไม่เปลี่ยนสังเกตดูคนที่ไม่เคยเห็นกันมาสามสี่สิบปีนี้หน้าตาจําไม่ได้แต่พอเขาพูดปั๊บนี้ออกจาได้เลยเสียงนี้หรือวิธีการพูดของเขานี่มันไม่เปลี่ยนอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่จะติดไปกับใจอื เขากับเรียนเป็นความรู้นิดหนึ่งค่ะนิพานเนี่ยเป็นเอ่อเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาค่ะไม่เป็นทั้งสองอย่างนิพานเป็นความสงบของใจที่ไม่มีกิเลสตัณหามาทําให้เกิดความวุ่นวายใจต่างๆเราได้รับการชําระจากจากปัญญาจากการภาวนาอืนิพานก็เป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้เป็นอัตตาหรือว่าเป็นอนัตตา คำถามต่อไปจากเฟซบุ๊กไม่ประสองค์ออกนามค่ะเครื่องมือของจิตคือร่างกายเมื่อเราใช้ร่างกายแล้วเราต้องชำระล้างให้สะอาดสีนเปรียบเหมือนสบู่หรือครีมอาบน้ำเมื่อร่างกายเราสัมผัสสิ่งสกรปรบทางหูตาจมูกลิ้นกายและใจแล้วถ้าไม่ทำความสะอาดร่างกายเราอาจจะติดเชื้อโรค เชื้อโรคเหล่านี้เปรียบเหมือนความเศร้าหมองทางจิตใจใช่หรือไม่ครับพระอาจารย์คือร่างกายมันไม่ได้มีกิเลสร่างกายมันเป็นเพียงแต่ผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสส่งไปที่ใจใจนี่แหละเป็นผู้ที่มีกิเลสที่ทําให้ใจเศร้าหมองไม่ต้องไปชําระร่างกายไม่ต้องไปล่างตาล่างหูก็ใช่ไหม มันไม่สกปรกมันมันไปสกปรกที่ใจเอรูปเสียงกลิ่นรดเข้ามานี้มันจะดีไม่ดีมันไม่ได้สกปรกมันไม่ได้ทําให้ร่างกายสกปรกไม่มีความจําเป็นที่เราไว้ลักที่เขาว่าศีลนี่มันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้หมายความว่าเป็นการชาระร่างกายศีลมันเป็นการกระทําของร่างกายที่ไม่สกปรกเช่นไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ อันนี้เป็นเป็นศีลเป็นตัวที่ออกมาจากใจอีกทีหนึง่งใจที่สกรปรกมันจะไปฆ่าไปลักทรัพย์ก็เลยต้องใช้ศีลห้ามมันออมันจะได้ทําให้ใจสะอาดที่การทําทั้งหมดนี้ทําเพื่อใจไม่ได้ทําเพื่อร่างกายศีลนี้เป็นการกระทําที่ใจใช้ผ่านทางร่างกาย ถ้าใจโสปคกมันก็ทำให้ร่างกายทำบาปถ้าใจสะอาดมันก็จะทำให้ร่างกายไม่ทำบาปอย่างถ้าเราอยากจะให้ใจไม่โสโปกถึงแม้มันอยากจะทำบาปเราก็ต้องห้ามมัน ด, ด้วยการรักษาศีลพอเรารักษาศีล ท, ที่ร่างกายไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ใจก็จะไม่โสกรปรกแต่มันยังไม่หายความโสโปกมันยังยังยังไม่หลุดออกจากใจ มันจะหยุดได้ต้องต้องการใช้การภาวนาสมถะและวิปัสนาภาวนาจึงจะสามารถกำจัดสิ่งโสโครกที่อยู่ในใจได้ศีลเพียงแต่ห้ามันไม่ให้มันออกมาทางกายทางวาจาเท่านั้นเองอันนี้น่าจะเข้าใจอย่างนี้น่าจะถูกกว่าเราเมื่อกี้ฟังแล้วรู้สึกว่างงเหมือนกันไม่รู้ว่าพูดอะไรกันแนะ่หวังว่าคงจะเข้าใจคนฟังเข้าใจนะ เข้าใจแล้วคนอ่านเมื่อกี้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะที่เขาอ่านแล้วเข้าใจหรือเปล่าตอนที่เขาถามมาเนี้เข้าใจเข้าใจคําถามมาคําถามเขาว่าไงก็คือถ้าคือร่างกายต้องชําระล้างทีนี้พอมาล้างด้วยอะไรล้างด้วยสบู่หรือล้างด้วยศีน้ำร่างกายของเขาที่เขาถามเขาบอกเขาล้างด้วยสบู่เอ่แล้วสบู่มันจะไปล้างกิเลสได้เลยมันไม่ได้สิแต่เขาหมายถึงสีมาล้างอล้าง ขอพระอาจารย์อธิบายเข้าใจค่ะเข้าใจกันแล้วกันนเ ด, เดี๋ยวงงถามมาคนฟังยังงงเลยก็ค่ะคำถามต่อไปจากคุณโสค่ะกราบเรียนถามเจ้าข่าพระอาจารย์เคยบอกว่าคนที่อยากเลิกบุหรี่เวลาอยากบุหรี่ให้ใช้พุทโธช่วยพระสายวัดป่าพรรษามากแล้วมีลูกศิษย์เยอะพอสมควรท่านติดบุหรี่สูบเยอะมากมีคนถาม ท่านบอกว่าท่านเลิกไม่ได้โยมเลยรู้สึกว่ายังนับถือได้ไม่เต็มร้อยเจ้าค่ะก็ท่านทำเองทำเองไม่ได้เราไปสอนคนอื่นให้ทําได้ยังไงคนอื่นเมื่อเห็นว่าเขาสอนคนตัวเองไม่ได้เรามาสอนเขาเขาก็ไม่ศรัทธางนั้นก่อนที่เราจะสอนคนอื่นเราต้องทําเองให้ได้ก่อนเหมือนแม่ปู่สอนลูกปู่ใช่ไหมแม่ปู่บอกลูกเดินตรงๆนะอย่าเดินเฉไปเฉมา แต่มม่ก็เดินเฉยไปเฉยมาลูกมันก็เฉยไปเฉยมาตามอันนี้ก็เหมือนกันแต่ครูบาอาจารย์บางลูกท่านก็สูบแต่ท่านไม่ได้สูบด้วยความอยากก็มีท่านสูบเพราะหนึ่งมันมีให้สูบมีคนถวายบุหรี่มาเพราะบุหรี่มันไม่ผิดศีลมันไม่ได้เป็นยาเสพติดถ้าเสพมันเสพแบบไม่ติดก็มีเสพแบบติดก็มีแต่คนที่เขาไม่มีกิเลสแล้ว เวลาเขาเสพเขาไม่ได้เสพติดมีเขาก็เสพเปรี้ยวป่ากเขสูกมันอย่างนั้นเปรี้ยวป่ากก็เคี้ยวหมากไปอย่างนั้นเวลาไม่มีหมากเคี้ยวก็ไม่ได้ไปหาไปดิ้นรนเหมือนคนที่ติดคนที่ตัดติดเวลาหมดมันต้องวิ่งหาแต่คนที่ไม่ติดถ้าไม่มีก็ไม่หามีก็สูกไปนี่ต่างกันฉะนั้นบางทีเราจะไปว่าครูบาอาจารย์ท่านสูบบุหรี่นี่ท่านมีกิเลสก็ไม่ควร เพราะเราไม่รู้ว่าท่านสูบด้วยกิเลสหรือสูบด้วยการไม่มีกิเลสคำถามจากคุณกฤิชันกันขอเรียนถามพระอาจารย์ครับนั่งสมาธิแล้วรู้สึกร่างกายฟูทั้งตัวและใจมีความสุขมากแบบนี้นั่งถูกต้องไหมครับและสิ่งที่ปรากฏขึ้นคืออะไรครับ ถ้ามันสุขก็ใช้ได้ก็แล้วกันส่วนอะไรจะเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดก็แล้วกันรู้ว่ามันเกิดแล้วมันดับไปไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นอะไรขอให้ขอให้ได้ความสุขก็แล้วกันถ้านั่งแล้วสุขก็ถือว่าใช้ได้ถ้านั่งแล้วไม่สุขก็ยังถือว่ายังใช้ไม่ได้คําถามจากคุณพีโกเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราฝึกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออก ก็รู้เรานั่งก็รู้ว่าเรานั่งเราพูดก็รู้ว่าเราพูดฝึกไปเรื่อยๆก็สังเกตได้ว่าเริ่มรู้ตัวมากขึ้นหลังจากนี้ควรเพิ่มการฝึกอย่างไรต่อครับก็ทำบ่อยๆทำาให้อง่้างนั่งให้นานๆนั่งให้มันสงบอ ย, าออยา่าคิดก็สำคัมอย่าคิดถ้าคิดก็แสดงว่ายังไม่ถูกต้องหยุดความคิดให้ได้ คำถามต่อไปจะคุณสิริปฏิบัติธรรมมาสักระยะหนึ่งแล้วพอมีเวลากลับไปรวมกลุ่มกับหมู่เพื่อนเดิ ม, ดมรู้สึกทุกข์ใจไม่มีความสบายใจเหมือนอยู่กับตัวเองผิดปกติไหมคะผิดเช่เพราะเรามีความสงบเขาไม่มีความสงบเรานะ่ความจริงเป็นปกติเขานะ่ไม่ปกติแต่เราไปอยู่กับเขาเราก็เลยผิดปกติจากเขาแต่ความจริงเขานะ่ะผิดปกติจากเรา เราถูกปกติแต่เขาผิดปกติแต่เมื่ออยู่กับเขาเขาเป็นกลุ่มใหญ่เราเป็นคนกลุ่มน้อยเราก็เลยกลายเป็นคนผิดปกติไปแต่ความจริงเราถูกปกติแล้วว่าคนที่สงบนี้ต้องอยู่คนเดียวถ้าไปอยู่กับเขาก็ผิดปกติแล้วต้องอยู่คนเดียวคนที่ได้ความสงบแล้วจะไม่อยากจะอยู่กับใครอยู่แล้ววุ่นวายหนอะอยู่คนเดียวสบายกว่าเยอะ ดนะูนักบวชทั้งหลายเวลาเขามีความสงบแล้วเขาไม่ไปยุ่งกับใครแล้ะเขาอยู่เขาตามลำพังมีความสุขเป่ายเยอะแยะขอเรียนอันนี้ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมค่ะลแล้วถ้าการที่เราไม่อยากไปอยู่นั่นคือวิภาวะตัณหาหรือเปล่าคะคาว่าไม่อยากถ้าต้องไปอยู่แล้วไม่อยากไปถึงจะเป็นวิภาวะตัณหาถ้าไม่ต้องไปอยู่ไม่ได้ไปอยู่ไม่ได้เป็นวิภาวะตัณหา เช่นสมมติว่าต้องไปพบกับเขาแล้วไม่อยากไปเป็นวิภาวะตัณหาแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นต้องไปพบเขาแล้วอยู่คนเดียวของเรานี้ไม่ได้เป็นวิภาวะตัณหาเราก็อยู่ของเราไปไม่อยากจะยุ่งกับใครไม่เป็นวิภาวะตัณหาแต่ถ้าต้องยุ่งก็ต้องไปถ้าอยากไม่ไปก็ถือว่าเป็นวิภาวะตัณหาขอบพระคุณค่ะคําถามจากคุณสุรีกราบพระอาจารย์ค่ะ เห็นชีวิตว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ว่าเราต้องตายต้องจากคนที่เรารักเห็นแบบนี้ตลอดเวลาเห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์มีแต่ความทุกข์ค่ะทุกวันก็นั่งสมาธิเมื่อจิตสงบทุกข์ก็หายไปแล้วพอคิดถึงความตายก็เริ่มทุกข์อีกจะวางใจหรือปฏิบัติอย่างไรคะให้ทุกข์นี้เบาบางลงค่ะก็ต้องหาสาเหตุของความทุกข์ว่าทุกข์เพราะอะไร ที่ทุกข์เพราะยังมีความอยากไม่ตายอยู่นั่นเองยังอยากอยู่ก็ต้องพิจารณาแล้วอยู่ได้หรือเปล่านั่งกายมันเราสั่งให้มันอยู่ได้หรือเปล่าสั่งยังไงถึงเวลามันจะตายมันก็ต้องตายเมื่อรู้ว่าสั่งไม่ได้ก็ยอมรับความจริงะยอมรับว่าต้องตายเป็นธรรมดาถ้าใจยอมรับได้ก็จะไม่ทุกข์ต่อไปที่ทุกข์ก็เพราะยังไม่ยอมรับความจริงอยู่ถึงแม้จะเห็นความจริงแต่ยังรับความจริงไม่ได้ เพราะกิเลสยังไม่ยอมยังต้องไปทําให้กิเลสยอมวิธีทําให้กิเลสยอมก็ต้องทําใจให้เป็นอุเบกขาต้องนั่งสมาธินานๆให้รวมถ้านั่งแป๊บเดียวแล้วสงบนิดเดียวยังไม่พอต้องรวมเป็นอัปปนาสมาธิเนะี่ยออกมาอุเบกขายังติดอยู่กับใจดังนั้นคิดถึงความตายแล้วจะเฉยได้จะไม่ทุกข์กับมันคําถามจากคุณวันคืนล่วงไป สอบถามพระอาจารย์ตัวรู้หรือผู้รู้ที่เห็นจิตสว่างสวยัยแท้ที่จริงคือจิตส่งกระแสไปให้ตัวรู้ใช่หรือไม่ไม่รู้พูดเรื่องอะไรไพูดแบบคนไม่รู้พูดคนตอบก็เลยไม่รู้จะตอบอยังไงจิตมันก็เป็นตัวจิตมันต้องส่งกระแสไปหาตัวจิตทําไม จิตมันก็อยู่อยู่กับมันมันก็รู้มันก็ตัวรู้ก็คือตัวจิตมันรู้แสงสว่างแสงสว่างอยู่ในตัวมันมันก็รู้เสร็จมันต้องไปส่งเสะส่งส่งกระแสไปหาตัวจิตตัวรู้ไปหาตัวจิตมันตัวเดียวกันตัวรู้ตัวจิตมันตัวเดียวกันนี่จิตมันมีสองแบบจิตที่เรารู้จิตที่เป็นตัวรู้กับจิตที่เป็นอารมณ์เนี่ยเราบางทีใช้ปนกันสับกัน จิตที่เป็นอารมณ์บางทีเราเรียกอารมณ์ต่างๆว่าเป็นจิตจิตจิตสุขจิตทุกข์จิตเศร้ามองจิตผ่องใสอันนี้เป็นอารมณ์แต่ตัวจิตตัวรู้นี่มันเป็นตัวรู้เฉยๆมันไม่มีอารมณ์เนี่ยบางทีเขาใช้คําว่าจิตเป็นสองอย่างเป็นตัวรู้กับเป็นตัวอารมณ์เห็นบางทีคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องว่าคุยถึงตัวไหนกันพูดถึงตัวไหนกัน คำถามต่อไปจากคุณวงกราบถามพระอาจารย์การฝึกปฏิบัติธรรมควรฝึกจิตใจให้สงบมีสมาธิไม่ให้จิตใจคิปปรุงแต่งกับเรื่องราวต่างๆทั้งอดีตและอนาคตควรอยู่ในความสงบให้อภัยกับสิ่งเลวร้ายต่างๆใช่หรือเปล่าครับพระอาจารย์ให้วางเฉยกับสิ่งต่างๆให้เป็นอุเบกขาไม่มีรับชังกลัวหลง เห็นอะไรก็ไม่รักเห็นอะไรก็ไม่ชังเห็นอะไรก็ไม่กลัวเห็นอะไรก็ไม่หลงเพราะเห็นอย่างนี้แล้วขั้นต่อไปเวลาออกมาถ้ามีตัวกิเลสมาหลอกให้เราไปรักชังกลัวหลงเราก็ต้องใช้ปัญญาตัดมันให้กลับมาอยู่ที่อุบเบกขาให้ได้ขั้นต้นต้องทำจิตให้เป็นอุบเบกขาก่อนแต่มันจะเป็นนอุบเบกขาเฉพาะตอนที่อยู่ในสมาธิหรือตอนที่ออกมาใหม่ ต่อไปถ้าไม่มีปัญญามันจะหายไปมันจะเลิกกลับมาลักชังกลัวหลงถ้าอยากให้รักชังกลัวหลงอย่างถาวรเวลาเกิดความรักขึ้นมาต้องใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปรักรักเราจะทุกข์เพราะสิ่งที่เรารักมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันจะต้องจากเราไป แต่อย่างนี้มันก็จะหยุดรักชังก็เหมือนกันเพราะเจออะไรชังก็ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอนัตตาอย่าไปยุ่งเขาปล่อยเขาไปเขาจะไม่ดีก็เรื่องของเขาก็จะเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยก็เป็นอย่างนี้ไปปัญหาของเราเราไม่ชอบเขาด้านั้นเองเราอย่าไปไม่ชอบเขาเขาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาไปเราก็จะไม่ชังเขาต่อไปก็ถ้ามีปัญญามันก็จะรักษาเบขาได้ จะไม่ลักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิคำถามต่อไปจะคุณตายกราบเรียนถามพระอาจารย์ตอนนี้ร่างกายของแม่หนูใกล้จะจากหนูไปแล้วหนูพยายามข่มใจไม่ให้เสียใจและหนูเริ่มเก็บเสื้อผ้าใหม่ๆตัวที่แม่เคยนุ่งรวบรวมทุกอย่างที่เป็นของแม่หนูเตรียมไว้ เพื่อเวลาแม่จากไปจะได้ไม่วุ่นวายหนูทำอย่างนี้ผิดไหมคะแต่ทุกวันนี้หนูสงสารแม่หนูเหลือเกินสภาพร่างกายของแม่มันไม่ไหวแล้วเดินไม่ได้ทานอาหารเองไม่ได้หมอไม่รับบอกว่าแม่ชราภาพทุกอย่างเป็นไปตามวัยหนูเตรียมตหนูเตรียมตัวให้แม่จะเท่ากับหนูแช่งแม่ไหมคะจะบาปไหมที่ผ่านมาหนูดูแลท่าน มาตลอดไม่เคยทิ้งแม่ค่ะพระอาจารย์ก็สิ่งที่เราควรจะเตรียมตัวก็คือใจเรานั่นแหละเตรียมใจเรารับกับความจริงว่าเป็นเรื่องธรรมดาแม่ไปแม่ไม่ได้ไปไหนดอกแม่แม่ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ร่างกายเก่าของแม่มันเสียแล้วสมัยนี้เราเปลี่ยนไตได้เปลี่ยนตับได้แต่ยังเปลี่ยนร่างกายทั้งร่างกายไม่ได้ เราต้องการร่างกายใหม่ก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่แม่เขาต้องไปเปลี่ยนหน่อยนะเพราะร่างกายเขาหมดสภาพเดี๋ยวเขาก็ไปเกิดใหม่เขาก็ได้ร่างกายอันใหม่ให้คิดอย่างนี้แล้ว เ, เราจะได้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจแต่ของภายนอกทาอะไรได้ก็ทําไปต้องเตรียมอะไรก็เตรียมไว้อยากจะไปจองศาลาไว้ก็จองก็ได้ถ้ากลัวเดี๋ยวไม่มีศาลาสวดก็ไปจองศาลาไว้ไปซื้อ ลงไว้อไปเตรียมอะไรไว้เมื่อถึงเวลาก็การเตรียมตัวนี้ไม่ได้การเตรียมการเหล่านี้ไม่ได้เป็นการสาปแช่งอะไรแต่ถ้าคิดว่าชาบ้านเขาเห็นแล้วมันไม่ไม่ควรก็อย่าไปทําไว้ถึงเวลาก็ทําก็ได้ของพวกนี้มันไม่ยุ่งยากหรอกถึงเวลาให้ตายจริงๆแล้วค่อยไปเตรียมตัวก็ได้ส่วนข้าว ข, ของของแม่ตายไปแล้วมีเวลามาจัดการจะเอาไปทําอะไรก็ได้ออ จะไปบริจาคนีืจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์อะไรก็เก็บไปไม่มีใครว่าอะไรอแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเตรียมใจอย่าให้ใจต้องน้องห่มน้องให้อย่าให้ใจต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ารู้ความจริงแล้วจะไม่เศร้าโศกเสียใจคําถามจากคุณธาริดากราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ นิพพานแล้วกิเลสหมดสิ้นแต่ยังมีจิตอยู่ใช่หรือไม่คะจิตก็จิตกับกิเลสมันคนละตัวกันเนี่ยเหมือนเสื้อผ้ากับคาบสกรปรกนี่มันคนละตัวกันไม่ใช่คนละส่วนกัน เ, นเราพาไปซักเราไปซักผ้าให้หายไปด้วยหรือเปล่าเราซักให้แต่คาบสกรปรกหายไปแต่ผ้ายังเหลืออยู่ใช่ไหมเราชําระจิต ด, ด้วยการภาวนาเราชําระกิเลสให้มันออกจากจิตไปจิตก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ คำถามจากคุณโอกาว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ครับทุกครั้งที่สวดมนต์เสร็จการกวดน้ําแบบแห้งหรือกวดในใจเราจะส่งบุญไปถึงคนที่เราละลึกถึงได้ไหมครับแล้วเขาจะรับรู้ได้อย่างไรว่าเราได้รับว่าเราได้รับบุญที่เราส่งน่จาจะเขาว่าเขาได้รับบุญที่เราส่งไปครับกราบขอบพระคุณครับก็อยู่ว่าเขาหลอดรับหรือเปล่า เราก็ไม่รอรับเขาก็ไม่รู้ในบางทีรู้แต่เขาไม่รับก็มีเพราะว่าเขามีบุญมากกว่าที่เราส่งไปเช่นถ้าก็เป็นเทวดาเขามีบุญมากกว่าเป็นเศรษฐีบุญเอาเงินไปให้เศรษฐีเสร็จเอาเงินขอเงินที่จะให้ขอทานไปให้เศรษฐีเศรษฐีก็จะว่าไงก็ข อ, ขอบใจเว้ยเจ้านะ เงินที่เราอุทิศให้คนตายไปนี้เป็นเงินที่เราให้ขอทานแต่ถ้าเขาคนรับนี่เขาเป็นเศรษฐีเขาทําบุญไว้เยอะตอนที่ตายก็มีบุญติดตัวไปเยอะไปเป็นเทวดาก็ไปเป็นเศรษฐีบุญถ้าเขารู้ว่าเราส่งบุญไปเขาจะขอบใจเราว่าเอายังคิดถึงกันอยู่นะยังอุตส่าห์ส่งมาเอแต่เขาไม่ได้ต้องอาศัยบุญที่เราส่งไปแต่ถ้าเขาไปอยู่ที่อื่นเขาไปเกิดแล้วเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราส่งบุญไปให้เขาก็ได้ นั้นการจะอุทิศบุญให้ถึงผู้รับได้นี้ความจริงมันต้องเกิดจากผู้ที่ต้องการบุญมาขอเราก่อนเช่นมาเข้าฝันบอกว่าโอ้เดือดร้อนเหลือเกินตั้งแต่ตายไ้นี่อดอยากขาดแค้นช่วยหน่อยสิอย่างเงี้ยถ้าเรามาเข้าฝันแบบนี้เราก็ทำบุญส่องให้เขาไปแต่ความฝันนี่มันก็อาจจะเป็นสองอย่างเขามาหาเราจริงๆหรือเราคิดถึงเขาแล้วก็ฝันไปก็ได้ แต่ไม่ว่าอะไรก็อย่าไปกังวลกับเรื่องผู้รับเลยขอให้เราไหนๆเราทำบุญแล้วเราสามารถอุทิตได้ก็อุทิตไปช่วยผู้รับจะรับได้ไม่ได้จะรู้หรือไม่รู้ก็เรื่องของเขาไปคำถามจากคุณทิพวรรณกราบเรียนถามเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิเราควรพยายามเพ่งมองจุดใดจุดหนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะ จะนั่งสมาธิต้องมีสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่น <Yeah. S 1> ดูลมหายใจอย่างเดียวหรือพุทธโธอย่างเดียวไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดแล้วจิตจะไม่สงบถ้าอยู่กับเรื่องเดียวเพ่งอยู่กับเรื่องเดียวเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้คำถามจากคุณชุติมากราพระอาจารย์เจ้าค่ะนั่งภาวนาพุทธโธ จะรู้ว่าหัวใจเต้นคือรู้ตามลมพร้อมพุโทโธพร้อมการเต้นของหัวใจค่ะอันนี้ก็ปล่อยนั่งไปเฉยๆใช่หรือไม่เจ้าคะรู้มากไปแล้วให้ควรจะรู้อย่างเดียวรู้หลายอย่างแล้วมันไม่มันจะไม่นิ่งเอาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง รู้ลมก็ลมอย่างเดียวรู้พุทโธโก็พุทโธโอย่างเดียวส่วนอย่างอื่นมันจะมาให้รู้ก็อย่าไปสนใจหัวใจเต้นมันจะเต้นก็ปล่อยมันเต้นไปไม่ต้องไปสนใจให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวถ้าอยู่หลายเรื่องเดี๋ยวมันวิ่งไ ป, <MO. S 1> ไปวิ่งมาเดี๋ยวไปอยู่หัวใจเดี๋ยวมาอยู่พุทโธเดี๋ยวไปอยู่ลมมันก็อะไรยังวิ่งอยู่มันไม่นิ่งถ้าอยากให้มันนิ่งมันต้องอยู่เรื่องเดียวคาถามจากคุณกัญญพล กราบเรียนถามค่ะการที่เราบริจาคเงินสร้างกุฏิวิหารเมื่อเราตายไปแล้วจะได้ไปอยู่วิมานบนสวรรค์จริงหรือไม่คะคือการทำบุญทุกชนิดมันไปสวรรค์ทั้งนั้นไม่จาเป็นจะต้องสร้างกุฏิอย่างเดียวถึงจะไปสวรรค์ได้ใส่บาตรก็ไปสวรรค์ได้ถวายผ้าจีวรก็ไปสวรรค์ได้ปล่อยนกปล่อยปลาก็ไปสวรรค์ได้ทำบุญกับคนยากคนจนก็ไปสวรรค์ได้ มันอยู่ที่การเสียสละแบ่งปันของเราการที่เราทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขเนี่ยความสุขนี่เป็นวิหารที่อยู่ของใจเวลาใจไม่มีร่างกายแล้วใจก็ต้องอาศัยบุญเป็นที่อยู่อาศัยยันบุญทุกชนิดเป็นวิหารเป็นวิมานทั้งนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของใจเวลาที่ใจตะไม่มีร่างกายใจก็ต้องอาศัยบุญเป็นที่อยู่อาศัยยังถ้าทาบุญไม่ว่าจะชนิดไหนทากับใคร ได้วิมานได้สวรรค์วิมานเหมือนกันเนั้นไม่ต้องไปเลือกว่าต้องสร้างโบสถ์อย่างเดียวถึงจะได้ไปวิมานถ้าไปสร้างสร้างบ้านหมาอยู่จะไม่ได้วิมานไปสร้างคอกหมาเดี๋ยวนี้มีหมาจรจัดเยอะไปสร้างคอกหมาเลี้ยงหมาอันนี้ก็เป็นก็เป็นบุญสร้างบ้านให้หมาอยู่อย่างหมาวัดนี่มีเยอะแยะมันไม่มีที่อยู่อาศัยก่อนมาปล่อยมาทิ่งกัน บางคนก็มีมีข้อเขาก็มารับไปก็มีข้อเลี้ยงหมามเขาก็ได้บุญตายไปเขาก็ได้เขาก็ได้วิมานสวรรค์วิมานมันก็สร้างโบสถ์นั่นแหละเฉะนั้นทําประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นแล้วความสุขนั้นจะกลับมาหาเราให้คิดอย่างนี้ความสุขก็คือบุญนี่แหละที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเวลาเราตายไปจิตใจเราจะมีความสุขเหมือนอยู่ในสวรรค์ในวิมานต่างๆอืม นั้นทำบุญได้ทุกชนิดเนี่ยทำกับไข่ก็ได้อันนี้เหมือนกันหมดได้สวรรค์วิมานเหมือนกันหมดต่างกันตรงที่ผู้รับจะให้อะไรกับเราถ้าเราไปทำบุญกับพระที่มีธรรมะท่านก็จะสอนธรรมะกับเราถ้าเราไปทำบุญกับหมามันก็หมามันก็จะเฝ้าบ้านให้เราอันนี้สิ่งตอบแทนที่ผู้รับจะให้จะไม่เหมือนกัน แต่ผู้ละผู้ให้นี่จะได้รับความสุขใจเหมือนกันไม่ว่าจะทำกับใครคำถามหมดแล้วหมดแล้วนะขอให้เราเข้าใจการทาบุญก็คำว่าบุญก็คือความสุขใจใจเราต้องพึ่งบุญเพราะบุญจะทำให้ใจมีความสุขถ้าทำบาปแล้วจะทำให้ใจทุกจะทำให้ใจร้อนบาปเป็นเหมือนไฟบุญเป็นเหมือนของเย็นเป็นเหมือนน้ำเย็น พอได้สัมผกับบุญแล้วเย็นสบายมีความสุขพอไปทําบาปแล้วใจจะร้อนมีความทุกข์นั้นถ้าไม่ต้องการที่จะให้ใจทุกข์ใจวุ่นวายก็อย่าไปทําบาปถ้าต้องการให้ใจมีความสุขมีความเย็นมีความสบายไม่ว่าจะอยู่หรือจะตายก็ให้ทําบุญไปผลของบุญเกิดตั้งแต่ยังไม่ตายทําบุญแล้วจะมีความสุข สุขขณะที่ตื่นสุขขณะที่หลับ เ, เวลาตายไปก็จะไปสวรรค์ไปวิมานชั้นต่างๆบุญนี่แหละคือสวรรค์คือวิมานชั้นต่างๆไม่ใช่อะไรนี่คือเรื่องของบุญเรื่องของสวรรค์อยู่ที่ใจของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนดังั้นอยเราสร้างบุญเรื่อยๆแล้วก็เท่ากับเราได้สร้างสวรรค์สร้างวิมานให้กับใจเวลาที่ร่างกายไม่มี ไม่มีร่างกายใจก็จะได้อาศัยบุญเนื้เป็นสวรรค์เป็นวิมานต่อไปส่วนบาปนี้ก็เป็นเหมือนคุกตารางทำบาปแล้วก็ต้องไปติดคุกติดตารางไปรับโทษไปต้องไปต้องไปอยู่แบบทุกข์ยากลำบากอดอยากขาดแคลนแล่นแค้นมีภัยมีเรื่องราวต่างๆกับ ผู้ที่อยู่ร่วมกันในคุกในตารางตีกันฆ่ากันฟันกันอันนี้ก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทำบาปถ้าไม่อยากจะเจอสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายก็อย่าไปทำบาปถ้าอยากจะเจอแต่สิ่งที่ดีก็ให้ทำบุญมีคาถามเพิ่มไหมยังไม่มีค่ะยังไม่มีนะโ okay. อเคก็เดี๋ยวขอนั่งพักสักแป๊บหนึ่งก่อนเหลืออีกสามนาที เดีย๋ยวเพื่อมีคำถามเข้ามาจะได้ตอบมีมีจัด u t u ู e ค่ะไม่ไ<ด>เป็นไรมาก็มาไม่มาก็ไม่มาไม่เป็นไรสัญญาณ w วไฟไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีค่ะบมดเออไงงั้นก็เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันวันนี้สี่สิบสามนาทีธรรมดาจะหยุดสี่สิบห้าก็